ซึ่งหากเป็นการเทียบเคียงระหว่างกามาวัจรจิตแล้วเนี่ยกรรมหากตจิตแล้วเนี่ยเอาเทียบเคียงนะกามาวัจระจิตกรรมหากตะจิตมากตจิตมีรูปาวจรจิตสิห้ากับรูปาวจระจิตสองใช่ไหมถ้าเทียบเคียงอะไรเป็นเสุตรังมากตจิตนี่แหละรูปาวจรจิตสิบห้าอะรูปาวจรจิตสองนี่แหละนี่แหละเป็นเสาตรจิตจิตที่ไม่มีจิตที่ยังมี โลกยัดอื่นซึ่งมีความสามารถเหนือเหนือกว่าตนหวางั้นเป็นสาุตระนะซึ่งหากเป็นการเทียบเคียงกันแล้วเนี่ยนะว่าองค์ธรรมได้แก่กามาวจระจิตนะคําว่าสาุตระเนี่ ย, ยจิตที่ยังมีจิตยังมีโลกยะจิตอื่นมีความสามารถเหนือตนหรือยิ่งกว่าใช่ไหมมากระตจิตยี่สิบเจ็ดเนี่ยมีความสามารถยิ่งกว่ากามาวจรจิต ก็แบบมีจิตอื่นยิ่งกว่ายังมีจิตอื่นยิ่งกว่าสศุตะระจิตเนี่ยยังมีจิตอื่นยิ่งกว่าส่วนอนุตรรจิตหรืออนุตรังได้แก่รูปรวาวจรจิตและอรูปรวาวจรจิตอันนี้เทียบกันกับการเมวจระจิตเนี่ยไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าทีนี้คําว่าอนุตรังเนี่ยนาณิบาตเนี่ยบวกอุตรรศับเนี่ยก็ปแปลโดยโวหาระธาในานะก็จิตระดับสูงมาจากคาว่านัตติอุตรังเอตัสสาติอนุตรังเนี่ย เขบอกว่าอนุตตรจิตคือจิตที่ไม่มีโลกยะจิตอื่นใดมีความสามารถเหนือขวกวตนเนี่ยนะไม่ได้หมายความว่าโลกุตตรจิตนะ mm hmm. คำคำเนี้ยเพราะเป็นการแสดงการกําหนดซึ่งเป็นวิสัยของการเจริญวิปัสนาเนีเป็นการเป็นวิสัยของการเจริญวิปัสนาฉะนั้นจึงเอาโลกูโลกยะจิตมาแสดงจึงไม่ทรงเอาโลกุตตรจิตมาแสดงไว้นี่นะ ดังนั้นหากเป็นการเทียบเคียงระหว่างกาม า, มาวจรจิตกับมหาคตจิตก็หมายความว่ารูปาวจระรูปาวจรเนี่ยองคธรรมว่าอนุตรังเนี่ยจึงได้แก่รูปาวจร จ, จิตกับอรูปาวจร จ, จิตเนะี่ยไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าไม่มีจิตอื่นไม่มีโลกียจิตอื่นมีความสามารถยิ่งกว่าตนส่วนองค์ธรรมของสอัตตรังก็คือการ ม, มาวัจรจิตแต่ถ้าหากเป็นการเทียบเคียงระหว่างมหาคตจิตด้วยกันล่ะใครเป็นสัตตรัง ใครเป็นสัุตตรังใครเป็นอนุต t o ังรูปาวจระจิตเป็นสอุตตรังอารูปาวจรปิดจิตเป็นอนุตตรังไม่มีโลกยะจิตอื่นยิ่งกว่านี่แยกให้ถูกนะนี่ก็เรียกว่าสอุต o ังกับอนุตตรังถ้าเราเทียบกันระหว่างมาคตาจิตกับกามาวจรจิตกัชัดนมากตาจิต27กับกามาวจรจิตห้าสี่ นี่นะถ้าเทียบอย่างนี้นะเราก็จะเห็นว่าสอุตรังได้แก่กาเมอจราจิตอนุตรังได้แก่มหากาตจิตแต่ถ้าเอามหากตจิตต่อมาคตาจิตมาเทียบเคียงกันว่าอะไรเป็นสาอุตรังอะไรเป็นอนุตรังเดือดเดือดเดืแก้วงงแล้วไม่งงแล้วนะหลอบสองแล้วเนาะเอามาคตจิตอะไรเป็นสาอุตรังอนุตรัง อารูปเป้าเจรจิตเป็นสุตระจิตอรูปเปาเจรจิตเป็นสัุตระจิตแปลว่าอะไรอช่ใช่จิตที่ไม่มีโลกียะจิตอื่นยิ่งกว่าใช่ไหมอนุตตรจิตก็แปลว่ามีกับไม่มีเนี่ยนะเอาต่อไปขึ้นสมาหิตังดูบาลีด้วยนะ สมาหิตังจิตตั้งมั่นมาจากคำว่าสังอุปสสักหนึ่งบวกอาอุปัสรรคบวกทาบวกทาธา ต, ตุตาปัจจัยปฏิปักขะวิขำพณนะสมัเถนะสมาธินาสามมาเทวะอาหิตังสมาหิตังสมาหิตาจิต จิต ท, ที่ตั้งมั่นในอารมณ์อย่างแน่วแน่ด้วยอํานาจของอัปปนาสมาธิและอุปาจารสมาธิอันนี้เป็นสมาธิที่มีกําลังสามารถคมปฏิบักษธรรมได้เ อ, อสมัยตังเคยได้ไหมใครเคยได้อุปจารสมาธิไหมนั่งนั่งอยู่ไม่เคยเลยหน้าอยากได้ไหมอยากจะได้อุปจาระนะคมทำคมปฏิบักษธรรมได้ นั้นศีลสมาธิปัญญาที่ประชุมในอุปจารสมาธิศีล ส, สมาธิปัญญาที่ประชุมในอัปนาสมาธิเออในในอปนาสมาธิเนี่ยมีเวรตีไหมมีไม่มีมีสัมมาวาจาสัมมากรรมันตสัมมาอาชีวะไห ม, ไ ม, มเพราะอะไร ทำไมทำไมวิรตีไม่ประกอบในมหาคตาจิต <speaker> เพราะอะไรรู้ไหมเออเพราะมหาคตาเนี่ย <speaker> เพราะมหาคตาเนี่ยรับอารมณ์บบ <speaker> ใช่ไหมที่เป็นบัญญัติเลยนะพวกเอาแล้วถ้าถามว่าวิญญาณัญจายาตนะมีปรมัตธรรมเป็นเรา ม, มีวิรตีไหม อมีปรมัตดทำไมไม่ได้แล้วคําตอบว่าปรมัตดยังไม่ค่อยครอบคุมเท่าไหร่เนาะอ่าต้องหาคําตอบใหม่อีกนิดได้ไหมอ๋อวิรตีมีชีวิตเลยอ้าวถ้าหาในข้ออทินนาทานเนี่ยวิรตีจะมีอะไรเดี๋ยวไปอีกแล้วเดี๋ยวนี้มมมอมีวัตถุที่พึงเว้นนะเป็นอารมณ์นะ มีวัตถุมีวัตถุที่จะพึงงดเว้นเป็นอารมณ์ทีถ้าหากบอกว่าวิรติไม่มีอยู่ในมหาคตาธรรมมหาคตาจิตแล้วถ้าอย่างนั้นในมหาคตาจิตก็ไม่มีสิลเกิดใช่ไห ม, มอาจจะว่าไงแสดงว่าในสมาในในมหาคตาจิตเนี่ยมีศิกขาอยู่สองคือสมาธิสิขากับปัญญาสิกขา พ่อไม่มี เ, มเวตีใช่ไหมอย่างนี้ตอบถูกหรือไม่ไม่ถูกนะโอ้โหไม่ถูกเลยงั้นถ้าถูกทำไงดีเอาถ้าถูกทำไงช่วยคิดช่วยคิดจะทำไงดีแล้วอะไรเป็นศีลเนี่ยเจตนาเป็นศีลได้ไหมความไม่โลภความไม่โกรธปัญญาเป็นศีลได้ไหมเป็นได้น้เอาแล้วศีลตัวอื่นมีอีกไหมเนี่ยขันติสังวรวิรรญาสังวรใช่ไหม ก็เอาศีลตัวอื่นไปนะไม่เอาโดยตรงไปเอาปริยยะไปเอาศีลดอยอ้อมที่ออกจากองค์มรรคไปนะสรุปแล้วก็คือศีลสมาธิปัญญามีนะกาวโดยในมีอยู่ตรงนี้เนี่ยถ้าถ้าเข้าใจอย่างนี้จะได้ชัดว่าเออวิรตีเนี่ยเขาเป็นตัวตัดรอนเวราเจนาอกุสลถ้าในปาณาติบาศเขาตัาววิรตีนั้นมีชีวิตริงใช่ไห นั่นแหละเพราะเจตนาในการที่จะทำชีวิตตินศีของสัตว์ทั้งหลายให้ใหตกล่วงไปให้ขาดไปเนี่ยตัววิรตีทั้งหลายก็ไปทำกิจในการตัดเวราเจตนาอากุศลที่เป็นเหตุถึงการฆ่าได้ถ้าเกิดจากการลักกันขึ้นมาตอนนั้นก็มีอะไรเป็นอารมณ์แหละก็มีวัตถุใช่ั้มมีวัตถุกเกี่ยวกับในเรื่องของนั่นแหละถ้าบอกว่าเอ๊ะแล้วศีลมีประมาตธรรมเป็นอารมณ์เนี่ยวิรตีเนี่ย แล้วทำไมเราจะรักนาฬิกาเนี่ยก็นาฬิกาเป็นบัญญัตินี่จะว่าไงอุ้ยใบใหญ่เลยดเดี๋ยวนี้หรือว่านี่ไงโทรศัพท์เนี่ยใช่ไหมหรือว่าเราจะรักในสร้อยองเงี้ยเงินทองเงี้ยไม่ใช่บัญญัติหรืออาจะว่าไงดีแล้วก็บอกว่าสรุปแล้วสิ่งต่างๆออเหล่านั้นก็คืออะไรวัตถุเหล่านั้นก็คือมหาพูดและอุปาทายรูปนั่นเองใช่ไหมหรือจะรับขันห้านั่นเอง แต่ว่าโดยความที่เข้าใจการคิดอ่านนั้นเป็นกุย ม, มุมหนึ่งนะนั้นเจตนาที่เป็นเหตุแห่งการฆ่ากับเจตนาที่เป็นเหตุแห่งการลักเนี่ยไอ้เจตนาเหล่านั้นมันเกิดขึ้นกับบาปฉะนั้นมันไปนวิจัยบัญญัติเรียบร้อยเบีเส็จแล้วไอ้ตัวเวรตีที่มาตัดรอนแห่งการละเนี่ยไม่ได้ไปรับบัญญัตินั้นแต่ไปตัดรอนตัวเวรเจตนากุศลที่เป็นเหตุแห่งการที่จะไปรักไอ้เวนะตรงเนี้ยเวลาอธิบายตรงเนี้ยบางคนแล้วอธิบายรวมกัน อกุศลที่เกิดขึ้นคิดจะลักน่ยไอ้ตรงนั้นเต็มที่แล้วทั้งบัญญัติทั้งอะไรต่างสารพัดหมดแหละเข้าใจบัญญัติชาวโลกอย่างทะลุทะลวงไป็นเสร็จแล้วแต่ตัวไปตัดรอนเนี่ยเวราเจตนาเนี่ยวิรตีเนี่ยไปตัดรอนเวราเจตนาอากุศลที่เป็นเหตุในการลักขโมยใช่ไหมไปตัดรอนตัวเจตนาแต่มีปรมัตคือวัตถุที่ปรากฏเฉพาะหน้าน่ยที่พึงงดเว้นที่เป็นภัยที่เป็นภยันภยละที่เป็นภายนอก อารมณ์ที่เป็นภายนอกที่ปรากฏอยู่นั้นแหละนั่นแหละเวรเจตนานะไปตัดรอนตัวนั้นตัดรอนเจตนาแล้วก็ไปมีวัตถุที่เป็นเป็นธรรมะจะเป็นอารมณ์แต่กรณีก่อนหน้านั้นนะที่วิจัยเพ่อจะลักนะอกักษรสกินเพียบอกักษรสกินมอเพียบเลยนะเขาจใจอย่างยอมแก้วแตนเนี้ยฉะนั้นกรณีที่เห็นสิ่งงามๆทั้งหลายเหล่านี้ต้องวิจัยก่อนไหมเพราะโลภะเกิดขึ้นเป็นเหตุในการรักได้นะเป็นเหตุการฆ่าได้นะอย่างเงี้ยก็ต้องวิจัยตัดรอนเสียวิจัยตัดรอนเส นัานวัตถุทุกชิ้นเนี่ยเป็นปัจจัยแกร่วงละเมิดได้หมดเลยนึกเรานึกว่าเราไม่ทําผิดนะโทนการไม่ไปวิจัยทําการปรุงแต่งกุศลสังขารไม่ดีนี่แหละนะีปรุงแต่งไม่ดีนี่แหละยานปัญญาไม่ค่อยเกิดไม่ค่อยวิจัยนี่แหละเป็นโทษไปเกี่ยวข้องสิ่งใดโอ้โหงั้นท้านี่ต้องอาบดัดเยอะเลยทาไมวิจัยเงี้ยเอาสิวัตถุสิ่งของบุคคลอื่นเนี่ยทำไม่วิจัยไว้ก่อนนี่ยุ่งเลย ต้องวิจัยไว้ก่อนถ้ายิบจะหยิบจะยกจะจับจะอะไรต่างๆเลยเนี่ยโอไม่ได้เลยนะใช่ไหมเดี๋ยวก็เกิดไม่ไม่ได้เลยพระอยู่ในวัดก็ของสงฆ์ก็เยอะจะทำยังไงเนี่ยหรือของคนอื่นก็มากอย่างเงี้ยนะฉะนั้นกุศลศีลของพระจึงละเอียดจึงละเอียดมากเกี่ยวเรื่องงานวิจัยเกี่ยวงานงานวิจัยใช่ไหมไอ้ตรงนี้ก็จริงๆ จริงๆกระบวนการคิดเรื่องศีลเกิดเนี่ยมันต้องเป็นหลักสูตรเป็นหลักสูตรใช่ั้ยเป็นหลักสูตรที่เป็นกระบวนการไปฝึกวิธีคิดกันเลยถ้าอย่างาั้นกุศลศีลจักเดินได้ยังไงชีวิตจริงใช่ไม้มเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับมุมมองวิธีคิดเพื่อจะทำให้กุศลจิตเกิดขึ้นในการที่จะทาให้วิรัตที่คือภาวะของความงดเว้นที่เกิดขึ้น น, น, นี่เป็นปลักษณะอย่างนี้ นี่พูดถึงสมาธิไดเ้เนี่ยเนะี่ยพูดถึงสมาธิสมาหิตั้งจิตตั้งมั่นเนี่ยนะด้วยอุปจาระและอัปปนาอุปจาระอัปปนาเนี่ยนะตรงนี้ก็คือว่าท่านเทียบเคียงเนี่ยบอกว่าองค์ธรรมถ้าการข่มธรรมที่เป็นปฏิบักษเนี่ยองค์ธรรมได้แก่มาหาคุศลมาหากริยาเอาหมดเลยนะมาหากุศลแปดมาหากริยาแปด แล้วก็มหาคตาจิตแล้วก็มหากตกิริยามหากตากุศลเก้ามหากตากริยาเก้าถ้าเป็นพวกมหากตากุศลมหากตากริยาเนี่ยอันนี้เป็นอัปนาสมาธิถ้าเป็นมหากุศลมหากิริยาเนี่ยได้อุปจารสมาธินี่นะก็นี่อันนี้ทั้งสองส่วนเนี่ยข่มทำที่เป็นปฏิปป์เอาแล้วมหากิริยามหากตากริยาคมทําไมเออขมทําไม มาตอบหน่อยที่เรียนมาเยอะแล้วช่วยตอบให้พระฟังหนึ่งเอ๊ะทำไมทําไมพระอรหันต์ต้องต้องมีอุปจาระทําไมต้องมีอาปนาท่านข่มอะไรดีดข่มอะไรดีข่มทําอะไรงั้นพระอรหันต์ทั้งหลายเวลาท่านเกี่ยวข้องกับอารมณ์ <c oughs> ต่างๆเหล่านี้เวลาท่านจะหลีกเล้น ใช่ไหมเวลาท่านจะหลีกเล้นเวลาท่านจะพักใจของท่านที่เป็นไปกับอารมณ์ทั้งหลายเหล่าเนี้เพื่อไม่ให้ใจนั้นเป็นแปรอารมณ์ต่างๆนั้นเพื่อมาตั้งมั่นท่านก็มองเห็นโทษของอารมณ์ต่างๆอยู่แล้วเห็นไหมมองเห็นโทษของการเกี่ยวข้องของการที่จะต้องทํากิจต่างๆเหล่านั้นท่านก็หลีกเล้นมาสงบก็ตั้งมั่นในอารมณ์นั่นก็ชื่อว่าข่มเหมือนกันแต่ว่าข่มข่มอะข่มใจของท่านที่จะเป็นไปกับอารมณ์ต่างๆเือพระละหัน์ อย่างนี้นะเดอ <dug out S 3> มีอยู่เรื่องนึง่งพระอาจารย์กับลูกศิษย์อาจารย์เป็นพระอรหันต์นะลูกศิษย์ก็เป็นพระอาริยามกันแต่นี้อาจารย์ก็ได้อยู่บนกุฏิดีอยู่ที่อยู่ดีเนี่ยนะมีมีมี ม, มีมีที่อยู่แต่ลูกศิษย์ไม่มีที่อยู่ทั้งภรษาเลยฝนก็ตกทุกวัน อาจารย์ก็ฝนตกมาแล้วก็เป็นห่วงเอ๊ะลูกศิษย์จะอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นเนะ่ยไม่ได้เข้าสมาบัติรรษาออกรรษาก็ถามลูกศิษย์ว่าแจะเป็นยังไงลูกศิษย์ก็บอกว่าลูกศิษย์นั่นอยู่ในสมาบัตรทั้งภรษาเลย <c oughs> แต่อาจารย์ยังกังวลอยู่กันนี่ยแหละ <c oughs> กังวลอยู่กันที่ว่าจะค่อยเนี่ยพระอรหันต์เนี่ย <c oughs> นี่พระน <c oughs> พอริยะเนี่ยว แต่ท่านไม่ใช่กังวลด้วยอกุศลเป็นประอาาริยะริยะเหมือนกั น, นไม่เป็นเป็นเป็นกิริยาเป็นพระาหารหไงอาจารย์ก็เป็น เ, เป็นป ร, าารท่า น, ท, านท่านกังวลว่าลักษณะอย่างนี้ก็แปล ว, ว่าไม่ใช่วิจิกิจฉาไม่ใช่วิจิกิจฉาแต่เป็น ไม่ใช่วิจิกิิชานิวร์แต่เป็นวิจิกริชาที่เป็นปฏิรูปคือสงสัยด้ยกิริยาสงสัยด้ยกิริยาจิตท่า น, นว่าเออเนี่ยจะอยู่ยังไงเนี่ยลำบากไหมเนี่ ย, ยก็เลยไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจใ น, ในการมาาเนินการที่อยู่กรรมฐานคือ <c oughs> จกกัดจิตก็เลยมออาวรณ์อยู่นิดนึงก็ในภาษานั้นก็เลยไม่ได้เดินนี้อันนี้นี่มีหลักฐานเก่าเขาตงบอกว่า ถ้าพระละหันพระญาติทั้งหลายท่านจะเข้าสมาบัติท่านเนี่ยพระสมาบัติเข้าได้ทุกองแต่ถ้าที่จะไม่ได้ก็เพราะความที่ท่านมีกังวลต่างๆเหล่านี้แต่ว่าไม่ท่านไม่ใช่ว่าถ้าท่านจะเข้าท่านเข้าได้อสมาหิตังจิตที่เข้าถึงความตั้งมั่นดูปจาและอปนานั้นก็อันนั้นเป็นสมัยตังไว้อสมาหิตังก็คือว่าณ น, นี่เป็นนิบาตไปสามาตาสัพ มาจากว่าณสมาหิตตันติอาสมาหิตังนะอสมาตาจิตก็คือจิตที่ไม่ตั้งมั่นอย่างแน่วแน่ด้วยอัปนาและอุปจาระที่มีกําลังสามารถในการข่มปฏิบัติกรรทำจิตที่ปราศจากอัปนาสมาธิและอุปจารสมาธิอันนี้องค์ทําได้แก่โลกียะจิตนะที่นอกจากมหาตาจิตอันนี้ได้แก่กุศลกิริยาอันนี้เป็นกุศลกิริยาไปตรงนี้ก็ท่านขับเน้นว่าไม่ใช่ เข้าถึงอุปจาระและไม่ใช่เข้าถึงอัปนามาต่อไปก็วิมุตติมุจิตนะต่อไปจะได้ไม่เดินเรื่องศัพท์นี้ต่อไปแล้ววิมุตติจิตวิมุตตังจิตที่หลุดพ้นเนี่ยนะวิมุตตังเนวินี่เป็นอุปสรรคมุตจะธาตุตาปัจจัยก็วิเคราะห์ว่าตทางค้าวิคขำพนะวิมุตติหิวิเสเสนานี่นะมุตจะตีติวาวิมุตติจิตถาติ วิมุตตังบอกว่าวิมุตตจิตคือจิตที่กำลังหลุดพ้นหรือหลุดพ้นแล้วโดยพิเศษด้วยอำนาจของต่ทางคาวิมุตและวิขมพนาวิมุตวิอุปสักในที่นี้หมายก่อนว่าวิเศษาก็คือวิสิทธะองค์ธรรมได้แก่ไรโลกิยะกุศลจิต17ดลวงนี่นะอโลกยะกุศลจิต17บาวคือในกรณีที่หลุดพ้นด้วยต่ทางควิมุต ถาตะทังขวิมุตินี่ได้แก่อะไรอะ่ะจิตรประเภทไหนจึงเรียกว่าตะทังขวิมุติวิปัสสนากาวคือกามาวจรกุศลเอกกามาวจรกุศล น, นี่เป็นวิปัสสนาเอากี่ดวงเอาสี่เลือกแปดเอาลองลองลองลองทายดิเอาสี่ือกแป ด, แปดวิปัสน ส, ปปสนาเนี่ย ในที่นี้ท่านเอาแปดเอามาหากรีเอามาหากุศลญาณวิปยศที่เข้าถึงความชํานาญแล้วก็ <c oughs> ถึงความชํานาญเห็น <c oughs> ไหมว่าญาณวิปยุศเป็นวิปัสนาได้ <c oughs> แต่เป็นญาณวิยทยศที่เกิดการไข้ครวนที่เกิดการไข้ครวนจากที่ยาณสัรรมปยศญานวิปยศสลับกันอยู่ใช่ไหม ฉะนั้นเมื่อทางเดินของหมหากุณ ญ, ญาณนาสมยัยยศเกิดขึ้นอย่างช่ำชองในการวิจัยสิ่งใดๆแล้วในกระแสะขันของท่านผู้นั้นเวลาเกิดหมหาคุณ ญ, ญาณนวิปยุทธ์ก็กลายเป็นวิปัสนาได้นี่เขาเรียกว่าพิจารณาอย่างช่ำชองแล้วเดี๋ยวใครจะบอกว่าโอ้โหมีต้องมีปัญญาณ น, นาอย่างเดียวถึงจะเรียกวิปัสนาเนะนี่ยตรงนี้เอาถ้าทางเดินไม่ช่ำชองจะเรียกวิปัณนาเด้งใช่ไหม ถ้ายกเว้นมหากุศลญาณวิปยุทธ์ของพวกเราเนาะ<ช>ตรงนี้ยังไม่ได้เข้าถึงความช่ําชองนะ<ช>หรืออาจ<ช>บางท่านอาจจะไปไม่ได้อาจจะไปดูถูกกันไม่ดี<ช>บางท่านอาจจะทําความช่ําชองให้เกิดขึ้นแล้วก็ได้ที่นั่งอยู่เนี้ยเหมือนไม่แน่นนเนี่ยไปดูถูกมหากุศลของแต่ละท่านยิ่งไม่ได้เลยเดี๋ยวเป็นบาปปล่อยอให้อยให้ผู้ดูถูกกลายเป็นกลายเป็นตัดรอนกันอีกไม่ดีเลยเขาบอกว่า หนึ่หนิทานกุศลก็เป็นบาปนะขวางนะอย่าลืมที่คนเขาเจริญทานในกุศลถูกศีลกุศลภาวนากุศลไม่ต้องพูดถึงจากนั้นคนที่เขาเดินกุศลต่างๆแบบนี้เป็นหนีตำหนิไม่ได้นะนี่เป็นการตําหนิกุศลเลยเป็นกุศลธรรมเลยไม่ได้ไม่ได้อันนี้เป็นตัวขัดขวางเป็นกรรมเพราะไปกระทบกุศลไปอย่างยกตัวอย่างเช่นบางคนเนี่ยปาร o ทานกุศลเพื่อความพ้นทุกข์เป็นพุทธบูชาเขาอีกเนี่ยนะ แล้วเราไปตําหนิทานกุศลของคนประเภทนี้เขา โ, โ ห, โโหยุ่งเลยแต่เนี้ยนะเนี่ยพอไปกระทบอะไรนี่เฉียดคุณพระศาสดาเขาให้พอเขาปารบคุณเขาน้อมถวายเป็นให้คนนี้ให้ทานให้ไหมได้โอ้โหไปเลยนะเนยต้องระวังนิดเดียกระทบเลยนะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้คนเนี่ยคนตาบอดเนี่ยไม่กลัวผีไม่ต้องระวังศัพท์เนี้ยสําคัญมาก ไม่กลัวผีอ่ะยังนั้นตำหนิคนได้ทุกคนต้องระวังตรงเนี้ยตาบอดไม่กลัวผีอยอแก้วตาบอดหรือตาดีตาบอดตาดีฮะตรงนี้ก็ต้องเห็นไหมการตรงเนี้ในาศาสนาของพระเชษฐาเจา้าสังเกตดูทีสาวกของพระาศาสดาที่เป็นพระอริยะทั้งหลายทั้งทั้ ง, งขณะด้วยบันปีเชิยไม่ตำหนิ ไม่ต้องหนีใครได้กุศลทั้งเกียรติโตท่านกุศลท่านเดินสะดวกมากตรงนี้นะตรงนี้ก็กลายเป็นวิมุตตานะจิตที่หลุดพ้นด้วยแต่ทางคะแต่ทางค้าแต่ทางค้าวินัยก็ได้ในศัพท์ท่านใช้คําว่าแต่ทางคะก็คือว่าแต่ทางค้าวิมุตได้แก่วิปัสนาจิตนะกามาวจรกุศลจิตแปดวง ในกรณีที่หลุดพ้นด้วยครับวิกิวิขมพนาวิมุตต์องค์ธรรมได้แก่ชาณจิตเนอะมากขัตจิตนั่นเองกุศลเกรูปาวาะเจะ้าวจจะกุศลห้าและรูปาวเจรักุศลสี่รวมถึงอุอปปัจจารสมาธิด้วยนะอุปจารสมาธิด้วยในมหากุศลนั้น ก, ก็ก็นับเอาดู ว, วิมุตต์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าสมุเทเฉทาวิมุตต์นะในที่เนี้ยปฏิเสธวิมุตต์สาประการ ในในในบทนี้นะสมุทเฉทวิมุตติปฏิปัสสัตทิวิมุตติแล้วก็นิสสารณวิมุตติสมุทเฉทวิมุตติได้แก่อะไรตอบให้ได้นะเนี่ยได้แก่อริยมรติอริยมรติทุกระดับนี่สมุทเฉทวิมุตติปฏิสัตทิปฏิปัสสัตทิวิมุตติได้แก่ได้แก่อะไรอริยผลได้แก่อริยผล นิสรณวิมุตต์ได้แก่นิพานนนิพานวิมุตต์สประการนี้ไม่มีอยู่ไม่ไม่ใช่เนี้ยนะคำว่าวิมุตต์เนี่ยนะวิมุตต์ตังเนี่ยไม่เอาวิมุตต์สนี้เอาวิมุตต์สองเอาตะทางเขาวิมุตต์กับวิขำพนวิมุตต์แยกให้ออกนะตรงนี้นะใช่เอาโลกียะตรงนี้สําคัญเดี๋ยวว่าเจ็ดหลุดพ้นแล้วก็เนี่ยตรงเนี้ย ฐานแห่งการทําความเข้าใจเวลาอธิบายวิมุตต์ทางจิตหลุดพ้นเนี่ยอย่าลืมนะอธิบายจิตตาโนบัตนาเนี่ยลงหน้าอย่าไปเจริญเท่าไหรพอวิมุตต์ใหญ่ก็แหมพอเอาแล้วติดลมอ่ะพูดติดลมอ่ะเนี่ยติดลมไปเลยดึเอาแล้วก็จะทังเขาวิมุตต์วิคขำพนาวิมุตต์สมุทเชเทาวิมุตตินี้ไปแล้วนั่นเนี่ยเจริญแล้วนี่นะเจริญแล้วปฏิปัสสธิวิมุตต์แล้วก็นิสสารณาวิมุตต์ ไม่เอาวิมุติที่เป็นโลกุตระไม่เอาวิมุติที่เป็นโลกุตระเอาวิมุต ท, ที่เป็นโลกียะเนี่ยนี่ชัดเจนตรงนี้นะนี่เขาเรียกว่าจิตหลุดพน้นจิตหลุดพน้นต่อไปก็คือเกี่ยวในเรื่องของอวิมุตตังนะอะวิมุตตังก็คือว่าณนิบาศบอกวิมุตตศัพท์ มาจากคำ ว, ว่า น, นาวิมุตตันติอาวิมุตตังนะอวิมุตตะจิตก็คือจิตที่ปราศจากการหลุดพน้นพโอ้โหตรงนี้สําคัญนะปราศจากการหลุดพน้นโดยอะไรโดยแต่ทางคาวิมุติและวิขับมนวิมุติองทำได้แก่อคุศลจิต12 <ม>แล้วก็โลกเย้ยปากาจิต32นี่นะ น, นี่เป็นอย่างนี้ สรุปแล้วก็คืออากศุศลสิบสองวิบากเนี่ยเอาเอาแค่โลกยวิบากเห็นไหมเพราะโลกุตระวิบากเป็นวิมุตไหมเป็ น, ปนวิมุตอะไรไม่ใช่เป็นปฏิปสัสสทิวิปฏิปัสสทิวิมุตเนี่ยจึงไม่เอาไงแยกให้ถูกตรงนั้นส่วนบทต่อไปก็เดี๋ยวขยายตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะได้ไปดูรายละเอียดอย่างอื่นสมุทยะธรมมานุปัสสีเป็นผู้เห็นอะไร เห็นเหตุแห่งการเกิดและลักษณะของการเกิดของจิตเหตุแห่งการเกิดและลักษณะของการเกิดของจิตโดยอาการ5โดยลักษณะ5เห็นอวิชาเกิดมาจากคาว่าอวิชาสมุทยาวิญญาณสมุทยโยนเนี่ยจิตเกิดเพราะอะไรเพราะอวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดใช่เห็นตัณหาเป็นเหตุเกิดของจิต มาจากคำว่าตัณหาสมุทยาวิญญาสมุทโยเนี่ยนะจิตเกิดเพราะอะไรตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดเห็นกรรมเป็นเหตุเกิดของจิตมาจากคำว่ากรรมมสมุทยาวิญญาณสมุทโยจิตเกิดเพราะกรรมเป็นปัจจัยให้เกิดแล้วก็เห็นผัสสะเป็นเหตุของเวทนาแล้วก็นามรูปสมุทยาวิญญาณสมุทโยเนาะ จิตเกิดพราะนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดแล้วก็เห็นนิพพติลักษณะคือลักษณะการเกิดของจิตลักษณะการเกิดของจิตลักษณะการเกิดของจิตก็คือลักษณะการเกิดของจิตที่เกิดจากปัจจัยดังกล่าวมานี้ทั้งหมดด้วยแล้วก็อาการที่โลภะโทสะโมหะเป็นต้นเหล่านี้ที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจของใส่ใจผิดทั้งหลายเหล่านั้นเป็นต้นด้วยใช่ไหม อันนั้นก็คือการเห็นเหตุเกิดเห็นเหตุเกิดของของสิ่งของจิตต่างๆเหล่านี้อย่าลืมนะว่าโลภะจิตเนี่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี่นะจิตมีราคะนี่นะมีอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดนะมีอวิชชาในอดีตเป็นปัจจัยเกิดในโลภะในปัจจุบันนี่อันนั้นแหละอวิชชาเนี่ยเป็นเป็นเหตุ เป็นสมูทยัยแต่ไม่ใช่สมุทรยศสัจจะแต่เป็นทุกขสัตว์อวิชาในอดีตเนี่ยเป็นทุกขสัตว์แต่เป็นเหตุเป็นเหตุเกิดของตันหาในปัจจุบันนี้โลภะในปัจจุบันนี้ถ้าตันหาในอดีตอันนั้นเขาเรียวกว่าตันหาสมุทรยตันหาสมุทรยาวิญญาสมุทรโยนนั้นตัววิญญาณคือตัวยกตัวอย่างที่ยกนี้ยกราคะโลภะจิตเกิดเนี่ยได้มีตันหาในอดีต ถ้าพูดถึงสมมติจะเอาตัณหาต่อตัณหานี่นะตัณหาในอดีตเป็นสมุทัยสัจจะตัณหาที่เกิดขึ้นเป็นไปที่เกี่ยวข้องกับไอ้วัตถุทั้งหลายปียะรูปสาตะรู ป, ปังเปเตอร์เหล่าเนี้ยยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสยินดีในขันห้าเนี่ยในอายตนะในธาตุเนี่ยนะอันนี้เป็นทุกข์ษัตริย์เพราะตัณหาเหล่านี้ที่เกิดขึ้นมีตัณหาในอดีตเป็นปัจจัยเนี่ยอันนี้ก็เริ่มมองเห็นเห็นไหมเนี่ย แต่ถ้าหากว่าตัณหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ที่จะเป็นปัจจัยให้กับทุกในอนาคตอันนี้ตัณหานี้เป็นสมุทยาสัจจะนี่ยแยกออกของอย่างนี่เรียนปัจจัยแยกออกง่ายเลยเริ่มเห็นนะโอาเราเนี่ยรูปปัตนหาสัทธาตัณหาคันทะตัณหาราษฎตัณหาโพธิพตัณหาธรรมะตัณหาเกิดตลอดไหมยินดีพอใจในรูปยึดติดในรูป ยึดติดในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสแล้วก็ในสภาพธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นในใจก็ไหลติดอันนี้เป็นตัณหาที่มีตัณหาในดิดเป็นปัจจัยใช่ไหมเวลาเขาจะมาหมุนบอกว่ารูปประรู ป, ปะตัญหาเป็นสมุทยาาัยสัจจะเห็นไหมความยินดีเออขอไปรูปประตัญหาเป็นทุกขสัจจะโอ้ความยินดีพอใจในรูปเป็นทุกขสัจจะใช่ไ ถ้ารูปปตัตนหาสมุทยะใช่ไหมเหตุหรือตันหาที่เป็นเหตุให้กระรูปกับตันหาเกิดในปัจจุบันนี้เป็นสมุทยะสัจจารูปปตัตหานิโรธะดับรู ป, ปรตนดับความยินดับตันหาในอดีตและดับความพอใจในปัจจุบันนภพเป็นนิโรธาสัจจา เป็นนิโรธเป็นนิพพานนะรูปปตัตนานิโรธาคามิมีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้เข้าถึงนิโรธเป็นมารคสัตย์พอมองเห็นไหมเนี่ยจำแก้วว่าง่ายต้องเรียกยมแก้วบ่อยๆทำไมทำไมตึงเรียกบ่อยรลยมั้ย <c oughs> อ๋อ เขาบอกว่าถ้าถ้าทักใครบ่อยๆแปลว่า <c oughs> เขาบันทึกไว้แล้ว <c oughs> เป็นข้อตกลงนะ